นมัส ก, การพระคุณเจ้าที่เคารพทั้งพระคุณเจ้าที่มาจากวัดป่าสุกโตนำโดยพระอาจารย์ทรงศีลและก็วัดภูมงนำโดยท่านอาทิตย์และก็คุณแม่ชีและก็นุโมทนาบุญกับญาติธรรม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 ที่ผมได้ไปพูดธรรมะไม่จะตั้งใจฟังอย่างเรียบร้อยนั่งข้างหน้านั่งพับเพียบหนึ่งชั่วโมงไม่ยอมขยับเลยแล้วก็พยายามจะตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมพูดเสียงโทรศัพท์ก็มีเพราะว่า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 แต่ผู้ที่มีขันห้ายังมีความคิดนึกปรุงแต่งสารพัดคิดปรุงแต่งต่างๆเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตก็เพราะความคิดนี่แหละเป็นสัมภเวสีเกิดเป็นสัตว์เลร้ชานสัตว์นรก แปรตสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นปรหมก็เพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละหยุดความคิดได้ถ้ากับหยุดสังสารวัตแต่ไม่มีใครสามารถจะหยุดความคิดได้เรามีเทคนิคและวิธีที่จะเอาชนะความคิดโดยที่ไม่ต้องไปปล่อยจิตให้ไปผุดไปเกิดตามความคิดที่มันปรุงมันแต่งหมายถึงนามาขันทั้งสี่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 ถ้ามีความรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันหยุดสังสารวัตรทันทีจิตก็จะเป็นปกติผ่องใสน ย, ยึดจิตออกจากความคิดได้เขาเรียกว่าเตสังมูปะสะโมสุขโข ค, คือสงบโดยที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นวิตัางขานไม่ปรุงแต่งนะเพราะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นสัมาเวทีนี่ตอนนี้ก็รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะ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 เป็นครูสอนธรรมะเป็นตัวอย่างซึ่งเป็นสังขารที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณครองหมดไปแล้วเรื่องของวิญญาณเรื่องของเรือแต่รูปประคันอย่างเดียวเมื่อวันที่28เดือนมกราคมเวลาห้โมงเย็นคุณแม่มีความสมมุติชื่อว่าทองหลอง่อทองมุนุ่มเรืยเรียกดูสมมุติ แต่ตัวจริงท่านไม่มีชื่อหรอกมีแต่ขันห้าในความสึกของผมนะผมว่าคุณแม่ผมเนี่ยละลาจากโลกนี้ไปนานแล้วสองปีกว่าแล้วไม่ใช่เมื่อวันที่ยีแปดท่านละลาจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อสองปีกว่าที่แล้วในความรู้สึกของผม ที่คุณแม่มีชีวิตยืดยาวอยู่มาได้สองปีกว่าจนถึงวุฒิี่28นั้นก็เพราะอยู่้วยปัจจัยสองอย่างคือสายยางกับสายใหญ่สายยางนั้นคุณหมอผู้ที่มอบให้เป็นที่บิตทางการแพทย์เพื่อยืดอายุสายยางช่วยในการให้อาหารทางจมูกคุณแม่ทานอาหารเอนไม่ได้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 5มกราคมคุณแม่ออกมาจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายได้สายยางไม่เส้นหนึ่งเครื่องดูดเสมหะตาธรรมดาแล้วคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารเองไม่ได้กลือนอาหารไม่ได้ลือนน้าลายไม่ได้หายใจเองไม่ได้แล้วก็พ้วนน้าลายสมอเองไม่ได้เนี่ยเท่ากับไม่มีชีวิตอยู่แนละ้วจบไปแต่ตอนที่ไม่มีเครื่องช่วยแนละ้ว อยู่ด้วยสายยางเพราะนั้นผมคิดว่าท่านเนี่ยลาละจากโรนี้ไปนานแล้วสองปีกว่าแล้วแล้วสายที่ต่อก็คือสายใหญ่สายใหญ่แห่งความรักของลูกหลานที่ดูแลท่านอยู่ก็คือลูกหลานของท่านลูกทั้งห้าคนแล้วก็มีหลานเลนอีกมากมาย คออยู่ช่วยให้กำลังใจคุณแม่คนทัวไปมักจะมองว่าไอ้บรรดาสายยางสายใยเนี่ยมันมีปัญหากับคนที่ต้องอยู่สภาพเช่นนี้พ่อแม่ที่ใสาสายยางก็บอกเนี่ยชดใช้นี่กรรมเวร น, นี่กรรมที่เคยทาเอาไว้มันก็ถูกอยู่แล้วสายใยเนี่ยผมหมายถึงสายใยความรัก เขาอาจจะมองเป็นสายใหญ่แห่งพาระก็ได้ใช่ไหมมัจะบองว่าเนี่ยเป็นภาระของลูกหลานสายยางทําให้ถ้าต้องใช้นี่เวกันนั่นก็เพียงมองแบบไม่แยบคายถ้าเราจะมองให้แยบคายเนี่ยเราจะมองว่าสายยางกับสายใหญ่เนี่ยมีคุณประโยชน์มากมีอนิส ม, มากมองแบบแยบคายการที่ คุณแม่ต้องใช้สายยางต่อยืดอายุมาถึงสองปีกว่านี้ท่านมีเหตุผลไอการใช้นี่เวรกรรมนะก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเรียกว่าวิบากขันยังมีอยู่ก็ต้องใช้ไปแต่สิ่งเหล่านี้คุณแม่ยินดีนะยินดีที่จะใช้สายยางเราทุกครั้งที่เห็นท่าน เกิดเวทนาในการที่ต้องสวมหลายอ ย, าายา่างสัตยาของเจมูแต่ละครั้งเนี่ยท่านทรมานมากผมเคยถามไปว่าคุณแม่เอามันออกไหมแม่บอกไม่เอาไม่จะบอกไม่เอาด้วยความหลงนะผมก็พยายามถามแม่มัลาลาคาณ์นักแม่ออกไหมไม่เอาเป็นการตัดใจของคุณแม่เองว่าจะไม่เอาสา ย, ยางออกแล้วท่านมีความรู้ตัวอยู่ด้วย อาจจะมีความหลงลืมในอดีตบ้างก็เป็นการดีของท่านอย่างที่ท่านอาทิตย์ได้เทศเอาไว้หลงลืมอดีตสิ่งค้างคาใจหมดไปเลยกับอดีตมีได้เรื่องปัจจุบันมันเป็นการดีนะชีวิตเราลืมอะไรซะบ้างในโลกนี้ในชีวิตนี้ก็ดีอยู่จะได้ไม่โลกกิดลกใจทุกอย่างท่านยินดีที่จะมีชีวิตอยู่พอท่านยินดีนี้ผมก็เลยพยายามที่จะพูดให้ท่านเข้าใจว่าไอการชดใช้นี่เวรกรรมเนี่ยมันก็ดีนะ คิดว่าใช้ก็ได้แต่ลืมม่เราไม่คิดว่าเราสร้างนมาบ้างเรามีชีวิตยอยู่ได้เพราะว่าเราสร้างสร้างบา ร, รมีขึ้นมาอย่าเป็นมองแน่ในการใช้อย่างเดียวเราอยู่เพื่อสร้างได้สร้างขันติบา ร, รมีบา ร, รมีความอดทนขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีบา ร, รมีความเพียรแล้วก็ทานบา ร, รมี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 บามีเพราว่าความพร้อมความพร้อมที่จะบรรลุธรรมที่จะสิ้นทุกในที่สุดละมอลงแ ง, งการสร้างสรรค์เลมันจะมีแต่การเพิ่มในส่วนที่ใช้นี่เวรกรรมก็ใช้ไปยิ่งใช้ยิ่งหมดเหมือนสตางค์ในกระเป๋าเราลองใช้อย่างเดียวไม่มีการหาเข้ามาเลมันก็มีแต่จะหมดนะอยู่แล้วเป็นประโยชน์มีโอกาสได้ก็เรียกว่าแก้ตัว ได้ตีตื้นชีวิตขึ้นมาได้ก่อนที่จะตายจากโรคนี้ไปมีประโยชน์ตรงนี้แหละมันยิ่งอยู่ย้อนนั้นก็ยิ่งมีประโยชน์สำหรับตัวเรานี่คือการมองในแง่ของสร้างสารรค์แล้วก็ไม่ทุกได้ดีกว่าเราเกิดบัตรเหตุตายปับ๊บไม่มีโอกาสแก้ตัวเล ย, ยผมนี่ประสบัตรเหตุแล้วมีโอกาสแก้ตัวมัน้อสามสิบกว่าปี โอ้ oh, เราสร้างใลยคุ้มค่าเหลือเปลือเลยนะไปใช้เมื่อไหร่ก็ไป็หมดแบ่งกันแบ่งกันให้หมดเลยผมแบ่งให้หมดเลยบารมีความว่าเอาไปเลยเรามีพร้อมแล้วพร้อมแล้วบารมีเพราะว่ามีแล้วมีแล้วก็แบ่งออกไปนะยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งดีนะยิ่งในตาไม่จะอยู่ว่าเพื่อใช้เวรกรรมไม่ใช่มันใช้อะไรไมีแต่สร้างขึ้นมามันหมดไปแล้วของเก่ามีแต่สร้างมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเรามองในแง่เนี้ยเราจะมีความสุขันะผมไม่ได้มองในแง่บวก มองแง่งความเป็นจริงแล้วตอนนี้สายใหญ่ถ้าเรามองในแง่ของสายใหญ่ความรักไม่ใช่มองในแง่ของสายใหญ่ผ า, าระมันจะโคตรขั่วเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยการที่เราได้ปิบัติคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยในสภาพใดก็ตามปิบปติด้วยความรักด้วยความด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีเนี่ย มันเป็นการทำบุญกับพระอราหันต์ของลูกเลยนะคุณแม่เด็กเือนพระอราหันต์มันมีโอกาสได้ทำบุญกับท่านในตอนนี้ไม่ใช่ภาระท่านมีชีวิตอยู่เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้ทำบุญในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราเคยทำไม่ดีกับท่านพูดอะไรไม่ดีกับท่านทอดทิ้งท่าน เรามีโอกาสตีตื้นก่อนตายได้ตรงนี้แหละดีกว่าไปขอขามาหน้าแบบมันมีประโยชน์น้อยทำกับท่านตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละมีประโยชน์มากที่สุดเลยและท่านก็ได้เห็นและเราก็ได้เห็นท่าที่จะเป็นภาระแต่เป็นความรักความผูกพันกับลูกหลานทุกคนได้ตีตื้นก่อนตายก่อนที่ท่านจะตายจากโลกนี้ไปหรือเราจะตายจากท่านไปเรามีโอกาสสร้างสส่ใจความรักได้นะ แล้วเราได้เรียนรู้จากท่านจากการป่วยไข้เพื่อมาเตรียมตัวไว้เมื่อถึงทีเราบ้าเราจะทำอย่างไรการดูแลดูแลท่านด้วยความรักเนี่ยลูกหลานเห็นก็บอกว่าอ๋อเนี่พ่อแม่เรานะทำกับปู่ย่าตายายแบบนี้เราก็จะทำกับคุณแม่แบบนี้มากเห็น ไ, ไหมเป็นตัวอย่างใช้วิธีการสอนแบบไม่ต้องพูดแต่ทำให้ดูมันมีประโยชน์ ได้เตรียมตัวเราด้วยถึงข่าวเราจะทำอย่างไร อ, อันนี้มันจึงกลายเป็นเคล็ดลับของ ล, ลูกหลานทุกคนที่ดูแลคุณแม่ในยานที่ชั้นใช้สายายางแต่ลูกหลานใช้สายายางความรักดูแลคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่พอสุดท้ายถ้านก็คงเห็นว่ า, าพอสมครวรแล้ว ที่จะให้ลูกได้ทำบุญพอสมควรแล้วอาถรรพของลูกก็เลยลาจากโลกนี้ไปจริงจริงเดือนที่28มกราคมเวลา5โมเย็นไปด้วยความสงบในความสุขของผมนคิดว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์แล้วก็เปิดโอกาสให้ทำให้ลูกได้ทําหน้าที่ของลูกได้อย่างสมบูรณ์ทุกคนจึงมีความสุขในการจากไปของคุณแม่ไม่มีใครเสียใจเลย ทันทีที่ผมได้รับโทรศัพท์พี่สาวโทมาบอกว่าสุชาติแม่นิพานแล้วแล้วส่งโทรศัพท์ให้น้องน้องคนเล็กผู้ดูแลแม่อย่างใกล้ชิดก็โทรมาบอกเล่าอากา ร, การาต่างผมถามว่ารู้สึกเป็นอย่างไรปรกติดีนัาา่าละใช่ลูกของพ่อลูกแม่ต้องปกติแบบนี้การไปเศร้าโศกเสียใจมันป่วยกันนอกจากเราจะเป็นทุกข์แล้วทําให้ท่านได้นอนตายต า, ยต า, ยตายไม่หลับทุกข์กําไร ถ้าท่านรู้ท่านก็จะเป็นทุกข์ยิ่งกับเราด้วยซ้ำไปดีแล้วที่ท่านจากโลกนี้ไปก่อนเราจากไปก่อนท่านท่านจะลำ บ, บากมากมันต้องไปตามคิวบ้านะทุกคนปกติเราก็เลยปกติก็สบายที่เหลือทํไงก็ทางานทาหน้าที่ต่อไปของความเป็นลูกท่านคือครูสอนธรรมะ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 น้องสาวเล่าฟังว่าในช่วงวิินนาทีวิกงปิดตู้กุ้แม่จะ่ารถไปเนี่ยน้องพูดดูแลอยู่ใกล้ชิดเห็นอาการทั้งหมดแล้วก็เล่าให้ฟังรับรองว่าเรื่องนี้แม่ผมจะไม่อยู่ในใกล้ในเหตุการณ์แต่เชื่อว่าน้องพูดจริงเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่สาวก็ถามว่าตุราิถ้าแม่ตายไปแม่จะทรมานไหมบอกรับรองไม่ทรมานแล้วแม่จะตายแบบเครื่องดับ ไม่จะตายแบบอุบัติเหตุแบบตายแบบเครื่องดับเลยมันน่วนแล้วก็เครื่องดับจริงๆน้องบอกว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยแลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วมีแม่มีอาการผิดปกติมากจะหายใจขัดหายใจได้ไม่เต็มที่จะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติทุกครั้งที่แม่เหนื่อยน้องก็จะเอาใช้สายอย่างที่ได้รับมอบหมายมาใหม่ มาดูเซมะน้องก็ไม่เคยทําแต่ด้วยความรักมันเกิดความกล้าหาญจนสามารถที่จะฝึกดูเซมะให้กับคุณแม่ได้โดยที่ไม่เคยกที่ไหนได้แต่เห็ยนและคิดว่าทําไม่ได้ด้วยแต่ด้วยความรักทําได้น้องทําได้ทำทุกทุกอย่างดูเซมะเสร็จคุณแม่ก็ยังหลับสบายแล้วก็ตื่นมาก็รู้ทุรนทุรายหน่อยน้องถามว่าแม่ เป็นไรไหมแต่บอกว่าไปพูดเป็นคําสุดท้ายว่าไม่เป็นหลังจากนั้นก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเงียบไปลมหายใจก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงรอว่าถ้าไม่ดีถ้าทางจะไม่ดีแล้วก็เลยไปตามพยาบาลที่อยู่ข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตามมาช่วยปั๊มหัวใจแต่เสร็จแล้วสังขารมันย่อมเป็นไปตาม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 ก็ขอย้อนกลับไปเมื่อปีกว่าที่แล้วพระอาจารย์ทรงศีลหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อกรมในชีวิตคุณแม่มีแต่พระตั้งนั้นแหละเนี่ยพระอาจารย์ทิพย์ก็เคยไปเยี่ยมที่บ้านหลวงพ่อคำเขียนไปเยี่ยมไข้คุณแม่ถึงที่เตียงเลยคุณแม่มีสติ ต, ตอนนั้นยกมือไหว้แล้วหนุมือไหว้หลวงพ่อบอกว่า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 เพรท่านเคยมีพื้นฐานเรื่อง ก, การไหว้หวนพระสวดมนตเจรตติไปอยู่ที่ว่าป่าสุกโตตั้งหลาอยู่เป็นไปอยู่เป็นเพื่อนผมที่ว่าป่าสุกโตก็คุณเคยกับคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรพอถึงคราวละลาจากตรงนี้ไปเนี่ยสิ่งที่เคยสะสมไว้เนี่ยมันก็จะแสดงกลัวขึ้นมาในส่วนกุศลมีมากสติมีมากสติก็จะเบิกเอากุศลเข้ามาสู่ จ, จิตใจทากษะสติ อาคุณสวนก็คล้องกันทันทีสติเป็นผู้ที่เบิกบุญเบิกกุศลออกมานะก็ถือว่าจากไปด้วยดีญาติที่ทำถ้าหากว่าเราจะให้การจากไปของคุณแม่ทองหลอ่อไม่สุนเปล่ามีประโยชน์มีคุณค่าและมีสาระเราก็ควรจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ว่ราถ้าเป็นครูสอนทำให้เราเดำเนินชีวมมิตด้วยความไม่ประมาททาประโยชน์ตอนและประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาททาในสิ่งที่ควรทําปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวางเท่ากับชชยชีวิตไม่ประมาทแล้วทําในสิ่งที่ควรทําคือทําอะไร <c oughs> คือทาในสิ่งที่เรายัง ผัดพรนเอาไว้มาตั้งนานแล้วควรจะรีบทำซะการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาให้ทานเป็นนิดรักษศศีลเป็นประจําภาวนาเป็นชีวิตคิดดีพูดดีทําดีทําสิ่งเหล่านี้ถืวอว่าทําในที่ควรทําเตรียมเอาไว้ แล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยวางคืออะไรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจเราซะเรายึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่ควรฝึกเทียจปล่อยวางไว้ด้วยความไม่ประมาทถึงเวลาเราจะได้วางได้จริงๆต้องฝึกวางนะวางลูกวางหลานวางทรัพย์สมบัติวางหน้าที่กิจงานวางซะมัคือวางตัวตนซะ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 เป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นจิตเดินแท้ๆไม่มีใครเป็นผู้รู้มีตรู้กูไม่มีเป็นภาวะที่รู้เป็นเพราะที่บริสุทธิ์หายตัวหมดเนื้อหมดตัวเหลือแต่ภาวะที่รู้เป็นคําตอบที่ท่านพระอาจารย์ทิพย์ได้เล่าไว้จากหนังสือคุณดังตรินว่าเจ็ดเดือนบรรลุธรรม ที่หลานถามปู่ว่าปู่เมื่อคนเราเกิดมาแล้วต้องตายแล้วคนเราเกิดมาต้องตายแล้วเกิดมาทําไมนี่คือคําตอบว่าเกิดมาเพื่อทําให้ไม่เกิดไง <c oughs> เกิดมาเพื่อท่านไม่เกิดด้วยวิปัสสนาปัญญาคือรู้ตัวแบบไม่มีเราเป็นผู้รู้มันไม่ต้องเกิดแล้วไม่มีตัวแล้วมีแต่รู้ล้วนๆที่เป็นธรรมชาติไม่มีตัว ถ้าไม่มีตัวเท่ากับไม่มีการเกิดนะไม่ได้มีการเกิดก่อนที่เราจะตาีิซัาไปผู้เจ้าตรัสว่าเมื่อบุคคลมีความรู้สึกตัวกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะเป็นยอดของบุญกุศลเป็นยอดบุญเหนือทุกขคือความรู้ตัวนี่แหละเราสามารถทำได้ในชีวิตประจวัน ไม่ต้องรอเจ็ดเดือนบรรลุธรรมก็ได้เจ็ดวันก็บรรลุธรรมได้ถ้าเราสามารถทําความรู้ตัวต่อนเนื่องเป็นลูกโซ่แบบไม่ขาดสายตั้งแต่เช้าเปิดมาก้ะทั่หลับไปทําต่อนเนื่องเป็นลูกโซ่นะด้วยความรู้ตัวเนี่ยพระเจ้าตรัสไปว่าอย่างช้าเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวเจ็ดวัน ถ้าไม่เป็นพระหลานในภพชาตินี้ก็เป็นพระนาคามีถ้าไม่เป็นพระนาคามีเราก็เป็นกัญยาณะปุตชนชีวิตอยู่ก็มีความหมายเมื่อตายก็มีความหวังไปสู่สุคติแน่นอนถ้าจะให้การจากไปของคุณแม่ทองหล่อสมุนุ่มไม่สูญเปล่า มีสาระและมีคุณค่าสำหรับผู้ที่อยู่บนโลกนี้ก็คือดําเนินชีวิตความไม่ประมาททาในสิ่งที่ควรทําปล่อยวางในสิ่งที่เรายังคิดมั่นถือมั่นเอาไว้ปล่อยวางซะถ้ากิดเราดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาทมันก็ทําให้เราเป็นบุญบุศนสำหรับคุณแม่ทหอหล่อทอบุญรุ่มด้วยและเราเองก็ มีชีวิตที่มีสาระมีประโยชน์มีความภาคภูมิใจมีความสุขในชีวิตปัจจุบันก็คงคิดว่ามันสมควรเก็บเวลาแลนะวนะสมควรแก่กำลังเพราะว่ายิ่งดึกแบตเตอรี่มันก็จะหมดที่พูดอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามีแบตเตอรี่สำรองที่ไม่ได้ชาร์จไวฟ้าแต่ชาร์จด้วยพลังทำให้ตั้งอยู่ได้นะ แล้วก็ต้องขอขอพระคุณพระคุณเจ้าจากวัดป่าสุกะโตแล้วก็พระคุณเจ้าจากวัดอุโมงและที่ลืมเสียไปได้ก็คือเมื่อวันที่29สิบ้าพระอาจารย์ปราโมดปราโพชโชได้เมตตาไปเยี่ยมศพคุณแม่ถึงที่บ้านมันเซอร์ไพรส์มากนะแล้วก็พระอาจารย์สนองอเราไหล ที่ได้มีเมตตามาพูดธรรมะแสดงธรรมะรวมทั้งญาติธรรมที่มาฟังกระขออนุโมทนามบุญด้วยแต่ว่าเป็นบุญกับคุณแม่ทองหลอแล้วก็เป็นบุญกับญาติพี่น้องทุกๆคนของคุณแม่ทองหลอ่อลูกหลานก็กราบขอบพระคุณนะสุดท้ายนี้ก็ขอป่วยพร่เงียบญาติธรรมทุกท่านจะมีความเจริญมีความผาสุกมีสติปัญญา และมีลวงตาเห็นธรรมทมชีวิตให้สิ้นทุกข์ก่อนสิ้นชีวิตด้วยการทุกท่านทุกคนเธอ